ช่วงสี่วันข้างหน้านี้อาจจะแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมที่เราได้เคยร่ว ม, า ม, มา่ า, างมาก็รปบ้ธรทมส่วนใหญ่นที่เราผ่านมาอาจจะเน้นเรื่องการฝึกเพื่อให้มีชีวิต ที่สมบเย็นเป็นสุขทำให้ชีวิตเนี่ยโปรงเบานะเป็นกุศลนะเจริตนอกนาแต่ว่าการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่เพื่อ ให้เรามีชีวที่ดีนามยังเราก็ไม่ใช่เป็นจุดหมายลับจุดหมายลัวคือคือให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับความตายที่จะมาถึงผู้งานก็คือเป็นการเตรียมตัวตาย เราเนี่ยจะคิดถึงเรื่องการอยู่ดีมีสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะเราคิดเรื่องการตายดีด้วยเพราะว่าเราทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตที่ดีงามจะระญรุ่มเรืองแค่ไหนหรือว่ายืนยาอเพียงใด ในทสุดเราตัวต้องตายอันนี้ก็เป็นความจริง ท, ที่ทุกคนรู้แต่บางทีก็ไม่ค่อยอยากนึกถึงเท่าไหร่แต่ไม่ว่าเราจะไม่อยากเราลึกนึกถึงเราก็หนีความจริงไปคนว่าใที่สุดเราก็ต้องตาย อะไรก็ตามที่เราต้องเจออะไรก็ตามที่เราหีไม่พ้นเนี่ยสิ่งที่รู้ควรทำไม่ใช่การหันหลังให้มันไม่ใช่การปิดหูปิดตาไม่รับรู้เหมือนกับว่ามันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่การวิ่งหนีจากมันสิ่งที่ควรทำคือการหันหน้า กเชิญอักมากทำความเข้าใจกับมาเพราะโดวยวิธีนี้เนี่ยเราถึงจะรู้ว่าจะรับเงินกับมันอย่างไรเวลาทำสัญสงพรามเนี่ยแม่ทัพทิฉลาก็จะต้องมีความเข้าใจแจ่ชัด ว่าผู้ต่อสู้เนี่ยหรือศัตรูเนี่ยคือใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรอย่างที่สุนหัวเขาว่าสุนหันีก็เป็นปาเปนหนึ่งของจีนว่ารู้เรารู้เขาร้อยสิบก็บอกทายแต่ที่จริงแล้วความตายเนี่ยเราจมอง่เป็นศัตรูก็ ยังไม่ถูกนะความตายไม่ใช่ศัตรูที่จริงความตายเป็นครูนประเสริฐก็เป็นวิธีสำคัญด้วยถ้าเรามองความตายเป็นศัตรูเราจะยิ่งหวาดกลัวแล้วก็เกียดชังซึ่งนั่นก็ยิ่งกับ ยิ่งเท่ากับทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นแลก็ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นกับใครไม่ไม่มีความสุขเราจะไม่ต้องรู้จักความตายให้ดีเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราคนส่วนใหญ่ไม่อยากนึกถึงความตาย และวิธีหนึ่งที่มักจะทำกันก็คือทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างจะได้ไม่ได้ถึงความตายเสร็จแล้วก็เลยมีชีวิตเหมือนคนลืมตายอย่านี้มีเยอะนะคนที่อยู่เหมือนคนล่มตายคือลืมไปว่าตัวเองต้องตายลืงสนิทเลย แล้วก็เอาแต่สะสมเงินทองหรือว่าเอาแต่สมุดธนานโดยที่ไม่ได้คิดตัดเตรียมเลยว่าถ้าการดูลหัยใจของตอนก็จะหมดชีวิตก็จะต้องยุติถ้าคนเหล่านี้เนี่ยบอกว่าเกวเอเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งหรือววาภาวาความตายใกล้เข้ามา จากคนที่อยู่เหมือนคนลืมตายก็กลายเป็นคนที่เหมือน ต, ตายาก็เป็นคือมีลมหายใจอยู่แต่ว่าหมดอะไรตายยากไม่มีชีวิื่อวาคิดไม่ได้นอนไม่หลักเสื้อผ้า้าผมไม่ดูแลนี่เราคง เคยเจอคนเราที่มาบ้างพอพ่อตัวเ็งมาเร็วทีเรียกว่าไม่มีเรื่องไม่มีแรงท่านที่ยังอยู่ได้อีกหลายปีอันนี้เรียกว่าอยู่เหมือนตายและพอถึงเวลาตาย ก็ตายด้วยความทุรนทุรายทรัพย์สมบัติชื่อเสียงที่สะสมมาช่วย อ, อะไรไม่ได้เลยกลับทำให้ทุกทรมานมากขึ้นเพราะว่าปล่อยวางไม่ได้หวงแหวติึดติดและที่หวงแหวนิึดติดก็เพราะว่าไม่เคยสูกจิตถูกใจ แต่ไม่เคยหรือไม่เคยได้เรียนเรื่องความตายสุดท้ายก็เลยตายแต บ, บที่คนโบราณเรียกว่าหลงตายหลนตายคือแปลว่าไม่มีสติอันนี้คือชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากในโลกนี้หรยอบางคนสมัยใหม่เพราะเขาเรียนแต่เขารู้แต่เรื่องการหาเงินหาทอง การสะสมวัตถุรู้แต่เรื่องทางโลกแต่ไม่ได้เรียนวิชาชีวิตเรียนแต่วิชาทางโลกแต่ไม่ได้เรียนวิชาชีวิตวิชาชีวิตเนี่ยมันมีหลายระดับนะวิชาชีวิตหนึ่งศูนย์หนึ่งเนียความรู้พื้นฐานก็คือว่าคนเราเกิดมาเาต้องตาย ศกษาไปให้ลึกอีกหน่ก็จะพบว่าการตายดีนั้นเป็นไปได้คนที่ตายแต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนพรทพ่ทเจ้าเคยตรัส กับมะคุณมิตาที่ป่วยหนักว่าแม้กายป่วยยังให้ใจป่วยความตายเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของของกายและใจนะแต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยเมื่อความตายมาถึงอันนี้เป็นไปได้ ก็จะเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องความตายเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะทำให้ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากพูดไม่อยากดไดนความตายเพราะรู้สึกมันน่ากลัวแต่ทจริงแล้วความตายเนี่ยมันไม่ไมันไม่ได้น่ากลัวเากับความกลัวตาย น, นี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วก็จดจำเอาไว้เลยก็ได้ว่าความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความปวดตายหลายคนเมื่อถึงความเมื่อความตายใกล้เข้ามาเขาไม่ปวดตายเขาก็สามารถตายสงบแต่บางคนยังห่างกลจากความตาย พอมีความกลัวตายเกิดขึ้นปุ๊เนี่ยนทะุกทรมานมากมันมีภาษิอังนะทั้งจีนและฝรั่งเนี่ยพูดคล้ายๆกันว่าคนกล้าเนี่ยตายครั้งเดียวแต่ว่าคนขาดตายหลายครั้งคนกล้าตายขาเขาเนียถืว่าพอหมลดลมปุ๊บก็จบแต่คนขาดเนี่ย ตายหลายครั้งพราะว่าเวลานึกถึงความตายก็เหมือนตายทั้งเป็นเจ้าหน้าที่อยากจะอยู่ได้อีกหลายปีหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกเปเวชนาจะไมได้ดิบคันคนขวาที่ตายกวันเลยคนที่รอดตัวเป็นมะเร็งก็ทำใจไม่ได้ต้องบอก็่เขาตายทุกวันคืออยู่เหมือนตายหรือว่าตายทั้งเป็น อะไรทำให้คนเรกลัวตายมันตอบง่ายๆสั้นๆก็คือเพราะไม่รู้จักความตายไอ้ที่คิดว่ารู้เนี่ยมันรู้ไมันรู้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าเรารู้แจ้รู้ชัเนี่ยความกลัวตายก็จะน้อยลงอันนี้รวมความกลัวอย่างอื่นด้วยนะกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวแก่ กลัวสูญเสียพละดรพลินเพราะเราไม่รู้จักมันดีพอมีนักศึกาตารคนนึงเป็นฝรั่งนะแต่ผู้ไิจารบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหลังาก้า่าเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอันนี้ก็ตรงกับคำสอนของพระพุทเจ้าพุทจากล่าวไ้ในคนเรากลัวเรอภิชา วิชาไม่กลัวพอไม่มีวิชาก็หายกลัวแล้วที่เรากลัวตายก็รัวรู้ากความตายเช่นเราคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวตายเพมอ ง, ค ว, ม ค, อวงความตายเนี่ยคือวิกฤตแต่ที่จริงความตายเนี่ยมันเป็นวิกฤตก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสในเวลาเดียวกันด้วยมันเป็นวิกฤตทางกายแต่โอกาสทางใจ โอกาสทางจิตวิญญาณก็ว่าได้อาจารย์เพื่อท่าบอกว่าตอนจะตายเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เป็นนาจีทองนาจีทองชีวิตเนี่ยก็คือตอนที่กำลังจะตายเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะพ้นทุกข์ที่จะบรรลุธรรมผู้อย่างเวลาสมัยหม่ดูว่าห น, น้าตาขอางโอกาสมันเปิดกว้างเมื่อใกล้ตายเมื่อความตาย ในพระไตรปิฎกนี่จะมีกล่าวถึงคราวาสก็มีพระก็มีพิศุทนี้ก็มีที่บรรลุธรรมขั้นสูงตอนจะตายเช่นพระติดศาสิ่งเป็นโรคร้ายที่สังคมรังเกียจแผนี่ผู้คองเป็นทรงเป็นเหม็น มีทุกเวทนาอีกขั้นจนกระทั่งเพื่อนพระที่ไม่มารักษาดูแลไม่ไหวปล่อยให้ท่านนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะจนท่านพุธเจ้าเสด็จมาดูแลพียาบาลี่ตัวเองรักษาไม่หายแล้วได้แต่ทำความสะอาดร่ า, า, รรางกายเอาจีวรไปซักไปต้ม แต่ที่ทุกเวทมนานเนี่ยมันกำเริบขั้นนันแรงกล้าดพุทเจ้า ก, ก็กล่าวเป็นคาถาว่าสังขารนี้นะไม่จีรังอีกไม่นานวิญญาณก็จะละลาสแล้วคนก็จะลาทิ้งก็จะนอนทับซึ่งกันดินเหมือนท่านไม้หากเกี่ยวพี่ได้ ที่ต่อหลังเนี่ยเราไปสวนก็เป็นออกสมุนเป็นออกสมุนเป็นเนี่ยเรื่องนี้ผะ้ใจตสั้นๆก็ปฏิสารสช้นท่านมีทุกเวทนาดีท่านก้เริมแรงกล้าท่านพิจรารณาก็เห็นแน้วนะโอ๋สำาัเป็นทุกมากเลยปัญญาเกิจกดจิตกระดุกคนเป็นพระอารหรันตะัด ก, กิเลส ข, ขณะที่สิ้นลมนี่ทํานไม่ ล, ล่วยและท่าไม่ใกล้ตายนะก็คงจะไม่บรรลุธรรม เช่นเดีนางสาวมาวดีที่ถูกไฟคลอกตายแล้วก็ท่านก็บบรูธ้ธรรมท่านสูงถูกไฟคลอกตายไนหะแต่ว่าใจที่ไม่ได้ทุกทรมานด้วยกายปวดแต่ใจไม่ได้ทุกท่านก็พิจารณาสำคัญนะตอนท่านก็สุ่มเสือกัดตายแต่ว่าท่านก็ปรุพธรรมทาปากเสือเป็นพผ้ารองที่เขากนะ็รอศพป่วยหลังผู้เจ้าเข้มา นอทางนอนจจให้เรู้ึกพัตะลไตรรารู้ถึงความดีที่ได้ทาแล้วก็ให้ท่านเนี่เป็นพิจารณาสังขารว่าเป็นไตรลักษณ์ไอตอนจะตายเนี่ยนมันอ น, นิจจังทุกข์ังหน้าตาสแสดงตัวชัดเจนไอตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยไม่ค่อยเห็นอนินจจังไม่ค่อยเห็นทุกขงังเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นตางจากนตาเท่าไหร่แต่พอป่วยเนี่ยพอจะตายนะโอ้ธรรมะ ไตรักเนี่ยมันแสดงตัวชัดเจนมากถ้ามีสติเปิดใจไครพลนะก็บรรลุธรรมท่านทีเขานะอุบาสกท่าก็พิจารณาสังขารท่านก็จังแจ้งในไตรักท่านก็บรรลุธรรมพูเจ้าแต่ว่าที่เขาที่เาอุบสกได้เป็นอนาคัร์ตอนสุขภาพดีนะปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้านะแต่พอจะตาย ธรรมะที่จเจริญที่พระพุทธี่ระพุธบอกว่ามันเป็นนาทีทองถึงความหมายนี้เนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะไม่กลัวความตายอาจจะรอคอยด้วซ้นะว่าเมื่อนาทีทองมาถึงเนี่ยฉันจะฉันจะใช้มันให้ เกิดประโยชน์จนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้ได้หรือว่ารอที่จะทำอย่างที่อจารยพุทธะว่าตกกระดาษมาประโจนตกกระดาษมาประโจนนะะก็คือว่าเวาตกกระดาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องโง่หน้าโง่หัวแล้นะทําให้ดีที่สุดในขณะในปัจจุบันขณะนั้นเองในขณะที่ตกกระดานี่ก็ทําให้มันดีที่สุด คนที่คนที่ศึกษาธรรมเนี่ยจะจะไม่กลัวความตายจะรอนะจะรอให้หน้าตาโอกาสมันเปิดว่าจนทํางสามารถที่จะบรรลุธรรมได้หรือถ้าเราไม่คิดถึงขัานน่้นจะบรรลุธรรมนะเแค่อยากจะให้ใจสงบก็เป็นไปได้เพราะว่าหลายคนเนี่ย เมื่อใกล้กาลเนี่ยคุอพอเขามีความสงบอย่างยิ่งอย่างเพื่อองนอัตามาสุภาภรณ์คนหึซึ่งเราจะได้ดูวีดีโอเนี่ยเธอเป็ น, นเร็งต้อ ง, องเธอก็บอกว่าในช่วง2ปีสุดท้ายของเธอเนี่ยเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากสุขกว่าตอนที่ยังไม่ป่วยสิสุขกว่าตอนที่ยังไปเที่ยวได้กินอาหารอร่อยฟังเพลงตามคอนเสิร์ตที่ไหนๆก็สะดวก แต่ว่าก็ไม่สุขเท่ากับตอนที่เธอป่วยมันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบใจเพราะได้ปล่อยวางมันไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นหรือกระทุ้งให้เราปล่อยวางได้ดีเท่ากับความตายนะความตายจะเป็นครูที่ประเสริฐมากมันจะคอยกระทุง้งคอยขันดาให้เราเนี่ยปล่อยวางเพราะถ้าไม่ปล่อยวางก็จะ ตายไม่สมบนื่งจึให้มองความตายครูเป็นอาจารย์ที่จะกระทุ้งขนาดให้เราเนี่ ย, ยก้าวหน้าในการปฏิบัติมากขึ้นก้าวหน้าในการปล่อยวางหลายคนเพราะว่าความเมื่อคนรักใรลตายเนี่ยสิ่งดีๆได้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ความสงบอีกเดือ่องจะเป็นการคืนดีกันระหว่างสามีกับภรรยาระหว่างเพื่อนที่เคยเสนิทแล้วก็เหินห่างจากกันแล้วก็มาคืนดีกันตอนใกล้ตายเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนใกล้ตายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าความตายไม่เกิดขึ้นก็ยังเกีียดชังเหินห่างหวงเือนกันอยู่ ในความตายเนี่ยมันทำให้ลูกกับแม่หันมาหากันคืนดีกันสามีกับภรรยาคืนดีกันความตายกป็โอกาสที่ทําให้เราได้มองในชัดเจนขึ้นสตีฟจอห์นตอนที่เขาใกล้ตายก็ย เ, เป็นมะเร็งตักอ่อนเขบอกว่าเนี่ยในความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราเนี่ยมองชีวิตชัดเจนขึ้น หมายถึงว่าจาัดระดับความสําคัญขอชีวิตได้ว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญคนที่ใกล้ตายก็จะรู้เลยนะว่าเออไอการที่มีทรัพย์สินเงินทอง ม, มากๆนี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแต่มันคือการทำความดีมันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนรักได้ดูแลผู้มีพระคุณนะได้มีเวลาร่วมกันกับลูกหลาน รวมทังการได้ฝึกฝึกจิตฝึกใจอสติมจา้าบอกว่าการรู้สึกความตายสเสมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของเขาที่ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตราว่าเขาบอกว่าใหความเทอทิยา ความาคาดหวังกดดันจากคนอื่นความตัวหน้าแตกาัวบล้มเหลวมันจะละลายหายไปเมื่อเผชิญกับความตายันนความตายมีประโยชน์มากฉนั้นถ้าเรารู้จักความตายดีพอเนี่ยเราจะกลัวความตายน้อยลงและมันทำให้ เราใช้ชีวิตอย่างปล่อยวางโปร่งเบามากขึ้นการศึกษาเรื่องความตายยังจะทำให้เราพบว่าการตายสงบเป็นสิทธิของทุกคนเป็นสิทธิของทุกคนนะพวกเราทุกคนที่นี้นเนี่ยมีสิทธิ์ตายสงบถึงแม้บางคนจะกลัวว่าจะตายไม่สงบ แต่ที่งแล้วก็เป็นสิทธิของเราทุกคนเด็กเล็กๆสามสี่ขวบก็ตายสงบได้คนที่เคยทำสิ่งไม่ดีเป็นผู้ร้ายเป็นฆาตรกรก็สามารถตายสงบได้ไม่ใช่เพราะว่าต้องเป็นพระเป็นนักปฏิบัติธรรมจะจะป่วยด้วยโรคอะไร ก็มีสิทิตายสงบได้แล้ว่ามคนก็กลัวว่าตอนจะตายนี่มันจะเจ็บปวดแต่ว่าแม้ปวดกายแต่ว่าใจก็สงมบมในวินาทีสุดท้ายหรือว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ การอบรมในช่วงสาสี่วันนี้นะมันจะเป็นการตออย้ำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถตายสงบได้เียแล้วก็ตามเนี่ยนะสิทธิกับการที่มันมาด้วยกันนะเราจะมีสิทธิตายสงบเราก็ต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ต่อความตาย หน้าที่อย่างแรกคือการตระกักว่าความตายเป็นหน้าที่ของเราความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตความตายเป็นหน้าที่ของสังขารเราไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเกินให้อยู่รอดให้มีชีวิตยืยาวเท่านั้นนะเมื่อถึงคราวเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องตายด้วย ถ้าเราปฏิเสธหน้าที่นี้เราบายเบี่ยงไม่ทำหน้าที่นี้เราลีกเลี่ยงบิดพลิพ้วนะมันก็ทำให้เราตายไม่สงบ น, นนะคนที่เขายอมรับนะอย่างเป็นหัวใจเนะว่าเขามีหน้าที่ต้องตาย ไม่ว่ามันจะมาถึงเมื่อใดนะก็ร้องตายอย่างนี้แหละเท่ทำให้ตายสงบไดนะ้เมื่อถึงคราวก็ไม่หลีดคิ้วไม่หลีกเลี่ยงนะที่จริงเนี่ยโลกนี้เนี่ย มันเป็นอย่างที่เป็นเพราะเพราะว่าชีวิตนี้มันเกิดมาแล้วก็ตาไปถ้ามันมีเกิดไม่มีดับนะธรรมชาติก็คงจะไม่สมบูรณ์ธรรมชาติก็คงจะไม่สามารถจะให้กำเนิดหล่อเลี้ยงชีวิตต่างๆได้ แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยที่เรามีสุขภาพดีได้เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าชีวิตเล็กๆทุกชีวิตในร่างกายเราเขาทำหน้าที่นี้ก็คือหน้าที่ที่จะตายในร่างกายเราเมีเซลล์เยอะยะเลยนะ ทุกวันเนี่ยมันมีเซลล์ที่ยอมตายนะโดยไม่นคิวเนี่ยเชื่อไหมประมาณ5้าล้านล้านเซลล์นี่เป็นตัวเลขแต่อาจจะเป็นประมาณการแบบต่ำๆก็ได้นะมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายเราทุกขนาด มีเซลตายในร่างกายเราห้าหมื่นล้านเซล์พาตายเพื่ออะไรตายเพื่อเราได้มีสุขภาพดีตายเพื่อให้เซลลใหม่ได้เกิดมาเซลลใหม่ที่ดีกว่าแข็งแรงสมบูรณ์กว่าที่เกิดขึ้นมาจะไม่มีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเรา เราก็อาจจะเจ็บอาจจะป่วยถ้ามันไม่มีถ้าเซลล์มันไม่ทําหน้าที่ตายเราเกิดร้อนนะมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายเรานะชื่อว่าเซลล์อมตะเป็นเซลล์ที่ไม่ยอมตายที่แ บ, บ่งตัวไปเรื่อยๆแบบ่งตัวไปเรื่อยๆเซลล์นี้เนี่ยอันตรายนะเรารู้ไหมว่ามันเป็นอะไร เซลล์มะตาดีเป็นชื่นของมะ เ, เร็งเซลล์มะ เ, เร็งเซลล์มะเร็งเนี่ยมันคือเซลล์ที่มัยอมตายสุดท้ายเราก็เลยตายเพราะมันเนี่ยเร <Okay. S 1> าะฉั น, นการการตายเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะ ความตายเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ใช่ทุกขณะที่เรามีชีวิตนะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคลอดออกมาจากท้องแม่ในสัปตอนที่เรายังเป็นเป็นเป็นเป็นทารกอ่อนๆเนี่ยเป็นเด็กอ่อนอยู่ในในคันในท้องแม่เนี่ยมือเราเนี่ยมันไม่ใช่มือที่เราเป็นนะมือมันมือเราเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเ็กนะคือมีคล้ายๆมีพังผืด เชื่อมระหว่างนิ้วถ้าเราเกิดมาด้วยมือแบบนี้นี่คงอยู่ยากนะแต่ว่าเซลล์ของพังคืด น, นะที่มันเชื่อมระหว่างนิ้วเนี่ยนะมันพร้อมกันพร้อมใจตายทำให้มือเราเนี่ยก็เลยมีนิ้วนะเป็นเป็นงา่ามเนี่ยซึ่งช่วยทำให้เราอยู่รอดไนดะ้ ที่ผู้จ้าตาว่านเนี่ยความตายอยู่ในชีวิตโรคอยู่ในความไม่โลคอโรคภัยไ้เจ็บอยู่ในความไม่เจ็บไม่ป่วยความแกอยู่ในความหมุ่งสาวเนี่ยนะมันจริงเลยนะความตายอยู่ในชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะนั้นถ้าเรามองแบบที้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าความตายามันเป็น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีประโยชน์รลายอย่างรงที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อเราถือว่าความตายเป็นหน้าที่ซึ่งที่เราต้องทำหน้าที่อย่างหนที่เราต้องทําการหน้าที่เตรียมตัวตายหน้าที่เตรียมตัวตายเช่นการหมั่นทำความดี ล้วเป็นความชั่วทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จไม่ให้ข้างค้างแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางไม่ยึดติดอะไรต่างๆมาเป็นของเราอันนี้เป็นวิธีการเตรียมตัวเตรียมตัวตายเป็นการทาหน้าที่อย่าง ในช่วงสวันเนี่ยนะเราจะมาพูดกันเรื่องความตายในมิติต่างๆรวมทั้งการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือความตายเพื่อที่เราจะได้ตายสงบแล้วก็จะรวไปถึงการช่วยเหลือคนรักของเราเพื่อเขาตายสงบด้วยก็จะมีการบรรยายมีการ ปฏิบัติร่วมกันมีการดูคลิปวิดีโอนะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราจะไม่คุ้นเคยก็อยากจะให้เราลองทำดูโดยทั้อองการไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอันนี้มีประโยชน์มากเลย ไปไปเรียนรู้จากผู้ป่วยเสมอว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราได้ได้เรียนรู้เรื่องเหล่า น, นี้มากขึ้นเนี่ยเราจะมีความมั่นใจที่จะมั่นใจที่จะตายหรือเชื่อว่าเราสามารถจะตายดีตายสงบได้มากขึ้น ก็เกริ่นนาเท่านี้ก่อนนะเช้านี้เราวค่อยอพูดกันไปเรื่อยๆในช่วงที่แม่บรรยายญญาก็เป็นการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ก็ก็คือการฝึกจิตนั่นแหละฝึกจิตให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะแล้วถ้าเราฝึกให้ดีนะก็จะตายอย่างสงบได้เหมือนกัน ดังนั้นเช้านี้ก็พูดมกันท่าง น, นี้นะแล้วก็เราจะได้ก็มีกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติร่วมกัน